วันที่ 21 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2533 นับเป็นครั้งที่ 2 ของรายการอบรมเรื่องจิตปรมัตถขอ ที่เรียกว่าโลภะมูลจิต 8 ท่านจะ สำหรับในจิตหมดได้ที่ชื่อว่าโลภะมูลจิตนั้นถ้าหากว่าเราจะจะหมายถึงคอต้นไม้เช่นรุกขมูลแปลว่า ก็แปลว่าอยู่โคนต้นไม้ไม่ได้แปลว่าจะ อังนังกระบุเตเจ้าจิตเอาไว้เป็น 3 ส่วนนะครับผมขอทําความ โลภนะฮะนี้แล้วก็มีความหลงเป็นมูลที่เรียกว่าโมหะมูลต้นไม้ที่มีรากสามรากเป็นมูลอย่างหนึ่งมี คือจะมีรากในสามรากนี้ทั้งหลายทุกระดับนั้นจะมีรากใน 3 รากนี้ได้แก่ความไม่โลภตรงกันข้ามกับความโลภที่ ถือเป็นความฉลาดโดยอนุโลมประการหนึ่งฉลาดมากฉลาดน้อยก็แล้วแต่อันนี้เป็นเป็น แต่ว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงของท่าน 8 ประเภทด้วย 8 ประเภทนี้ แต่ส่วนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็ทั้ง 8 ดวงนั้นเกิดจากอย 8 อย่างแต่ 8 อย่างนี้ถือเป็นความ ความหมายของโลภะมูลจิตโลภะนั้นแปลว่าความโลภและคําว่าโลภเนี่ยเราก็แปลเป็นๆว่าความท่านนิยามเอาไว้เอ่อที่ยกบาลี แปลว่าธรรมชาติใดอยากได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าความลบอ่าแล้วคําว่าอยากได้ในที่เนี้ยถ้าเราคู่กันอย่างในความหมายชั้นๆ อ่าไอ้การอยากได้มาเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นเพียงคืออยากได้เสพอยากได้เสพอยากได้เสพ ลิ้นลืมรอดใดลิ้นชื่อว่าเสร็จรถนั้นอันๆนั้นคือได้มาเพื่อเสร็จท่านลองอย่างเช่นเรามีอะไรสักอย่างนึงเป็นกรรมสิทธิ์ นะฮะคนอื่นซึ่งเค้าไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ดอกไม้ช่อนี้เค้าอาจจะได้ดูได้เสพมากกว่าผู้ ก็แปลว่าเราอยากจะเสพเมื่อได้โดยการฟังนะเอ่อซื้อรถมานะดูกับสัมผัสก็แปลว่าขับนะจะ ห้องนอนที่ไหนก็ได้จะดัดแปลงอย่างไรก็ให้ให้คนใช้ ได้โอกาสเอาไว้ก่อนเป็นความอุทธัยในใจงั้นทางธรรมะกันถึงถือเอาส่วนไหนเอ่อคนที่อยาก ตามภาษาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ฟังเสียงลูกร้องก็มีนะ ไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเพียงการทําโอกาสเพื่อจะเสพนั้นได้มากน้อยแค่นั้นแค่ไหนเท่านั้นเองเอ่ออันนี้นั้นท่านเรียกเป็นภาษาๆกับ บางทีท่านจะนึกได้แล้วโลภะคู่กับราคะการได้เสพคือได้ ด้วยสิ่งที่อยากใดสิ่งที่อยากนั้นชื่อว่าเป็นราคะของโลภะฉะนั้นราคะกับโลภะจึงเป็นของคู่กันสําหรับชาวโลกทั่วๆไป เอ่อเวลาที่เราได้ลาภะเป็นพระก็ไม่ต้องออกบิณฑบาตเป็นคนก็นะเป็นคนที่อยู่ในวัย โลภะกับลาภะนะที่เรียกว่าได้ก็สักแปลว่าได้อย่างเช่นที่ท่านสอนชาวบ้านที่เรา ในลาภนั้นคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าบุคคลอ่าทุกโลก มันก็ทุกข์ดังนั้นสําหรับคนที่แล้วก็ไอ้ที่จะไม่เสื่อมก็ไม่มีฮะทุกนี่นี่แปลว่าท่านไม่<อ> ท่านชัยกล่าวว่าอากังขยะจุพึงหวังว่าภิกษุใดเป็นผู้ที่พึงหวังว่าเราพึงเป็น อ่ะได้มากระทั่งถึงการบริโภคท่านนะอันนี้ เราเนี่ยถึงอยากจะพ้นยังไงจะเป็นชีวิตจริงๆเราต้องอยู่ได้รับทุกคนนะๆก็คือปัจจัย 4 ในฐานะของทุก เวลาเราโลภเนี่ยอย่างอื่นมีมั้ยความรู้สึกๆเวลาที่เราเกิดความโลภนะครับคือเรา หรือไม่ตอบมีมีมีอะไรบ้างเช่นมีความไม่ละอายต่อบาปอย่างนะมีความทุจชั่นอยู่ในนั้นคือ อตอนที่เรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นท่านจึงถือเอาว่าจิตของคนที่โลภนั้นแม้ๆปะปนอยู่ด้วยก็ไม่สําคัญเท่ากับความโลภท่านอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่าเพราะโลภะ ครอบๆที่ปนอยู่ในด้วยอัดด้วยในนั้นทั้งหมดๆนึกออกลบๆเหมือน ก็โดยมากจะมีความสุขไปทําสมาธิก็มีอย่างบุญจะไม่เหมือนกับความสุขใน ไปทําให้ความสุขที่เนี่ยมันเหมือนจะเอ่อๆว่ามันแปรเชื้อคนที่มีความสุขเนี่ยความทุกข์จริงจริงๆท่านน่ะ ในวิธรรมเราต้องนึกถึงตัวตัวเองเป็นสําคัญหรือคนเช่นคนมีความสุขกับ คนมีความสุขกับการมีความสุขกับการใส่ลายตาสีนี้ล้วนและทุกข์ที่เป็นผลติดตามมาภายหลังนั้น แล้วเป็นความโลภในลักษณะที่ธรรมดาไม่ไม่ถึงกับจิตวิปฤตนะฮะความสุขในนั้นก็มีความสุข เรื่องละเอียดที่สุดนะที่เรียกว่ามาคือความโลภที่เกิดขึ้นกับการ เป็นแต่ทําให้จิตเศร้าหมองและเป็นเครื่องสกัดกั้นการบรรลุ อย่าโลภละเอียดถ้ายังอยู่ในเขตของความโลภหรือดูเป็นความโลภ กำนัฏปฏิบัติหรือจะต้องใส่บาตรประยิงจะเป็นบุญแม้แต่ยกมือไหว้กันก็เป็นบุญแล้วทําอุปถัมภ์ลุกก็หรือ ขับล้อขับลาอยู่บนทางถนนใครก็จะเลี้ยวเค้าจะต้องตีวงกว้างนิดนึงเรา ที่ตั้งเป็นป่าได้รับมรดกไม่ใช่ถึงมรดกให้พ่อให้ เมื่อฟังเพลงเพ้อๆก็เป็นความโลภก็ไม่ใช่และในเบื้องสูงก็ว่าเป็นหรือรักษา 8 นี่ก็ 8 นั้นท่านไม่อนุญาต จะฟังเขาร้องหรือจะร้องเองก็ตามไม่ได้ทั้งเพราะการรักษาศีลเบื้องสูงนั้นเพื่อรองรับธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอันนี้ต้องต้องทําความตกลงเอ่อขอบเขตของความโลภไว้อย่าง 1 จะจะเรียก ได้แก่โลภนับตั้งแต่อยากได้ของคนอื่นโดยที่เป็นธรรมนิยานอุปัคยก ถาดคือเรียกว่าเก่าที่มีมนต์คิมจับอยู่ข้างนอกเค้าเรียกว่า ยายก็บอกขอมากกว่านั้นอีกหน่อยถ้าเทพทัศน์ไม่ยอมก็ทําท่าเล่นตัวทําท่ากลับนะกลับไปเนี่ย ชื่อของเก่าเหมือนกันมาแวะที่บ้านคุณยายก็เห็นผาดใบนั้นถามว่ายายจะขายเท่าเนี่ยก็ในที่สุดราคาให้อย่างยุติธรรม กะทศกกับความปิดหวังเลยถูกแค่อ่ะถูกแค้นถูกโกรธพระเทวทะคืออะอ่าอาภิชชาแปล ความหมายในที่นั้นน่ะหมายถึงที่เขามีพ่อมีแม่เล็งอยากได้ อย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมิยะโลภะแต่ถ้า ในของของเราก็เป็นความโลภได้มีและทําให้เกิดนะ ความโลภใดที่เป็นอธรรมยะโลภะนำไปสู่ทุกขิติและทำให้เกิดมากก็มากอย่างไรก็เข้าคุเข้าธรรมดาก็ความทุกข์น้อยแต่ไม่ทุกข์เลยไม่มีๆแล้วก็น้อย ถึงไม่โลภเลยอย่างเราเนี่ยเราอาจจะบางเรื่องได้เราไม่โลภบางเรื่องๆเรื่องเนี่ยแปล บรรพาลหลานในท่านนี้มีตํานนว่าเพราะเป็นหลานปุ๊บนะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกข์โดยความ เรเรเราก็สบายไปเยอะแล้วเรามีเชื้อทุกเวลาเราไปโลภอะไรเนี่ยเรานี่เพราะนั้น รอบนําหมดทั้งทั้งดวงจิตอะไรๆในนั้นออกมาเป็นลักษณะจงใจอย่างโลภๆคือเรียกว่าถูกอํานาจของ ปรุงหมดเลยหมดเลยไอ้ตรงนี้อ่ะจึงเหมือนกับเราแกงขึ้นมาหม้อ 3 หม้อก็แล้วกันหม้อนึงเป็นแกงโลภหม้อหม 3 หม้อเนี่ย ไอ้ส่วนท้อสมคือต้องมีน้ำกะทิมีใบโหระพาอาจจะใส่มะเขือเป็นผักนะแล้วก็มีกระชายมีขิงมีข่าอะไรแล้วแต่นะนี้หม้อนึงเรียกว่าแกงเนื้อไก่ ถามว่าเรียกว่าแกงเป็ดเรียกชื่อมะเขือหรือว่าไม่ใช่อ่ะเรียกชื่อน้ําแกงเลยก็ไม่ใช่เนี่ยเลยทําให้เรียก อีก 3 ชนิดนี้ก็เหมือนกับขนมอยอยเรอยเรอย 3 อย่างไอ้ขนมอย่างหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าขนมกล้วยส่วนผสมเหมือนกันส่วนอื่นๆเอาขนมอีกอย่างนึงเราเรียกว่า มันต่างต่างกันเพียงบางอย่างโดยชิ้นเชิงหรือหรือมันต่างอยอย 3 อย่างนั้นขนมมันก็ก็ว่าใส่มันเป็นส่วนต่างหลักขนมเผือก ทำอะไรเป็นขนมกล้วยขนมตาลขนมเผือกหรือขนมมันถ้าอะไรเพราะว่าไอ้ไอ้ตาลที่เราผสม มันไอ้ส่วนผสมหลักของอนอมอย 3 อย่างเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอกุศลธรรมูล 3 ตัวนี้ที่เป็นส่วนน่ะคน ระบุได้กำหนดกรรมบทได้ว่ากรรมบทพวกใดมีความมีโลภะนะฮะอย่างเช่นประพฤติผิดในกามแต่ตอนก่อนดื่มมัน แล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแต่ละพฤติกรรมแต่ละ มีโทษอาคลิตลักษณะทางร่างกายจะเป็นอย่างไรมีโมห เพราะฉะนั้นในทางปราณีท่านทั้งดูได้ว่าคนนี้เป็นคนราคาจริตคนนี้เป็นคนโทสาจริตคนนี้เป็นคนโมหจริตคนนี้เป็นคนมีตกจริตคน รับจอแข้งให้ดูนะครับคราวนี้จะกล่าวโดยประเภทประเภท 8 นั้นถ้าจะดูโดยย่อๆ4 ส่วนนี้ให้ได้ก่อน หมายอีกชวนนึงก็คือตัวเวทนาคือความรู้สึกเราว่าคนที่เกิด ความโลภบางครั้งก็เกิดอ่าเราเรามาค่อยๆอธิบายไปดีกว่าอาจารย์อ่ะเรามามองคือว่าเมื่อเราเกิดความโลภแล้วเกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเกิดสมณัส ตนเด็กก็เรียกเหอได้ของเล่นใหม่ยังเหออยู่นะฮะเกิดความสมหวังขึ้นเราก็เช่นว่าเรา ท่องเที่ยวในมีความรู้สึกยินดีมากที่ที่ไม่เคยไปเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็น คุณจนค่อนข้างจะชินหรือจนเช่นบ้านหลังนั้นน่ะเป็นของ มาแลสายจะมาอยู่ก็ยอมมาอยู่อย่างนี้ถือ มีน้ํายิ่งติดอ่ะเหมือนแต่ว่าเค้าเอาไอ้สิ่งที่น่าติดมาแลกฉลาดจะยอมแลกคือไอ้จีด่าง อยากจะมาอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นความติดๆก็เป็นไปตามที่เราคาด ท่านได้ยินแล้วท่านดีใจมั้ยดีใจบอกแม้ไม่ได้เติร์ไม่ได้เจอตั้งนั้นหรือขโมยไม่ขโมยไปแล้วเรา เย็นหน้าโลกเหมือนการเห็นหน้าปริญญานะแต่ถ้าวันไหนเข้าไปเสมอสวยหรือไปต่างประเทศมาไปเรียนเมืองนอกไปเที่ยวกลับมาโดยสวัสดี เมื่อเรารับประทานอาหารฝีมือแม่บ้านคนเดิมอีกลงอาหารอย่างนี้ก็รสชาติเดิมๆเราก็เฉยๆก็ถามว่าอร่อยมั้ยอร่อยชอบมั้ยบอกชอบแต่เฉยๆแต่ถ้า หรือบางทีบางท่านเนี่ยได้มีโอกาสเป็นข้าราชการ ก็เป็นเกียรติของท่านเหล่านั้นนะฮะที่ท่านมาคุยอยู่ทางภาคใต้คือเมื่อก่อนท่านอยู่แล้วท่านไปอยู่ที่นั่นก็บังเอิญในหลวงเสร็จไปทาง เอ่อท่านปราชญ์ลดถามว่าแกที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรไปปราบหนูปราบพวกวัชไอ้พวกแมลงศัตรูพืชเนี่ยเป็นบาปแล้วคนก็มีท่านตัวนี้ท่านก็ตอบแยกแต่ก็ลองถามว่าเอแล้ววิบากจะเป็นยังไงกันก็เลยสนทนา ท่านปาฏิหาริย์ท่านบอกว่าคนอื่นหุบปากและเงียบหมดเลยบอกสนทนากันอยู่ ภาวะเป็นไปได้ระหว่างนั้นน่ะอันนี่ไปพิสูจน์ในตัวตน ได้อีกหน่อยถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้จนฝังแน่นแล้วเวลาเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยเรามองออกเลยจํา ไอ้ตัวโสภนัสมันเหมือนเป็นตัวเพิ่มกําลังความโลภเพิ่มความติดใจแก่ความโลภถ้าอารมณ์ใดไม่รู้แต่เฉยๆเห็นแล้วเฉย เราไปละตามร้านขายน้ำหอมเอามาลองลองดมกลิ่นได้ทีนี้อันใดดมแล้วเฉยๆอย่างหลายๆแบบนะ แต่รจนานั่นจะสแกนเสียงเอานะกรรมการตัดสินการแล้วคนไหนเฉยๆก็ผ่านไปแต่ไม่ได้แปล ก็คะแนนก็ได้กับคนกรณีก็จะเป็นอย่างนี้ 2 พวกเนี่ย 2 กรณีคือที่เรียกว่าสัมปยุตคือประกอบว่าความโลภนั้นประกอบ คตตํยุตหรือผู้ต่างๆอทิฏฐิตํแปลว่าถ้าพูดแล้วเรียกว่าอทิฏฐิตํยุตแต่พูด คนโลภแล้วเห็นถูกไม่มีครับตอนโลภนั้นนี่ผู้รู้ทันโลภเนี่ยจะมีความโลภ แต่จะเป็นวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะอะไรเพราะการ ซึ่งคือว่าความโลภที่มีความเห็นผิดนั้นบาปขั้นแบ่งไว้ 3 ขั้น ขั้นที่ 2 ปานกลางขั้นที่ 3 คือขั้นบุญบาปไม่มีทํา ท่านถือนั้นพระพุทธเจ้าว่าผมต้องอ้างว่างั้นตายแล้วไปสู่อบายเพราะอะไรท่านให้เหตุผลเพราะนะคนที่เชื่อบุญเนี่ย <ม. S 1> คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปทุ่มเทเลยครับทุ่มเทเลยแต่ถ้า นี่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าอยู่ในนี้ด้วยผมต้องอยู่ในพระไตรปิฎกในที่ทั้งหลายทั้งปวงมากมายที ไปดูในเลยจะดูอีกทีนึงก็อ่าเล่ม 9 ในพรหมจารสูตรเนี่ยแล้วยังมีที่อุดม ก็ได้แก่พวกที่ได้แก่พวกที่ฆ่าสัตว์ด้วยความรู้สึกไม่เชื่อนะแต่คนที่ฆ่าสัตว์ อย่างเช่นเราเรียนธรรมะเนี่ยถามว่าเราเชื่อเชื่อมั้ยว่าฆ่าแมลงสาบก็เป็นบาปหมดเชื่อเป็นบาปเชื่อนะเอ่อถามอะไรเรียนแล้ว แต่ถามว่าทั้งพวกเชื่อและผู้ที่เรียนอย่างเข้าใจเนี่ยรู้แล้วไม่ทําบาปในเรื่องที่รู้ซะทุกคนทั้งได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ไปท้ายว่าเอ่อเอปลงอาบัติเอาที่หลังอย่างนี้นะอย่างเนี้ยเรียกว่าทําทั้งที่เชื่อ <c oughs> อ๋อใครเอาหนังสือเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมตายแล้วเกิดตายแล้วฟื้นเปตอันเอกเนาะอะไรเอาไปวางคนพวกนี้เค้าฟังอ่ะถ้าคนอย่างเรามองดูว่าเยอะทําบาปมาเยอะถ้าไป มาพูดให้ฟังแล้วเทพมาให้เหมือนกับว่าเขาธรรมดานะเหมือนอย่างนั้นน่ะเค้ามาได้เอาหนังสือมาด่าแทนเอาเทพมาด่าแทนคือ เขาเพราะเขารู้สึกว่าไม่ยอมร่ออะไรเพราะเขารู้สึกน่ะไม่ได้แปล ตามไม่ทันนะฮะแต่ในบ้านปลายเนี่ยเดือดร้อนทุกคนถ้ากรรมตามคือเรียก พอที่เรามันร้อนในเนี่ยมันร้อนเพราะปัญญามันออกไว้หลัดๆเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาเตือนมีพระมาบอกนะว่านี่อย่าบางอะไรบ้างแล้วแต่ พอเมื่อเรารู้อ๋ออันนี้มันเป็นบาปเนี่ยผลมันก็คือทําให้เรา คือความเดือดแล้วเราก็จะได้ตั้งต้นชีวิตกันใหม่เหมือนบ่อยๆว่าก่อนที่เราจะมาสนใจศาสนาเนี่ยเราก็เคยฆ่าสัตว์ ตอนมาเรียกทุกมันบาปมันบุญอะไรแต่พอมาเรียนธรรมะเข้าถูกแม่ตีแล้วตีแม่บ้างอดคิดว่าเอิ่ม มันไม่เป็นรายใบใจอ่ะก็เข้าถามอย่างนี้อ่ะ โยนิโสสมัยนะฮะทําบุญแล้วก็ตั้งปณิธานว่าๆมันก็ไปกลบก็ไปกลบในที่ ท่านจะต้องไปอบายภูมิชั้นเดียวกับเทวทัตทีนี้พระเทวทัต มันจะเหมือนไอ้ธรรมะเนี่ยบางทีจริงเปลี่ยนเหมือนกายามันมีออกฤทธิ์ออกอะไรบ้างอยู่ตามสม <c oughs> เราลงมาเราสมมุติว่าเราเกิดความโลภขึ้นแล้วก็ๆ มีเราอยู่จริงๆความรู้สึกอย่างเนี้ยเอ็นทิททิขั้นที่ไม่ไม่รุนแรงมากไม่นําไปสู่อบายท่านตั้งตั้งเรียก พรหมโลกชั้นสูงสุดคือเนวาสัญญานาสัญญายตนะภูมิไปด้วยโลภอย่างนี้แล้วอย่างพวกธรรมฌานเนี่ยก็ธรรมฌานแล้วก็โลภใน แบบไม่เหมือนกับทิฏฐิกตาสัมปยุตต์สำหรับอสังขาริกสังขาริกนั้นเอ่อรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวจะมาขยายว่าถูกชัก อิทธิพลโฆษณาไม่ถูกอิทธิพลชักจูงชักชวนเถือกกรรมเราไม่โลภในสิ่งนั้น ก็อย่างว่าบางคนจะปลูกบ้านสักหลังเนี่ยจะใช้สุขภัณฑ์อะไรต้องไปดูต้องไปฟังโดย แต่ผมโชว์ภาวะนี้กับโอ้โหล้าสมัยเป๊ียบเลยเค้าเลาะอย่างเราเข้าใจหลายเพราะไอ้รั้วบานเค้าเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นบางบ้านบางทรายเป็นเป็นไม้ลางรถไฟมาทําเป็นรั้วง่าย พอจะสร้างเสร็จนี่มันช้าไม่ใช่ช้าเพราะจังช้าเพราะการหาวัสดุแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่รู้ไป เราพักกัน 15 นาทีครับเดี๋ยวมาพบกันที่ 2 อธิบายขยายความกัน 2 นี้ 3 ซึ่งว่าด้วยการ 8 นั้นอธิบาย 8 นั้นก็ ดังเป็นโสมนัสกับอุเบกขาก่อนเอ่อที่บาลีเต็มๆใช้คําว่าโสมนัสสะสหกตะกับอุเบกขาสหกตะอ่าเป็นใจดีแปลตามศัพท์บาลี สอริสุเนี่ยแปลว่าดีต่อมารวมกันแปลว่าใจดีทีนี้แปล ว่าที่จริงก็เป็นใจที่ออกมาในลักษณะที่ดีดีไม่ได้แปลว่าดีงามเป็นบุญเป็นกุศลนะนะครับ คือความดีใจพวกหนึ่งความเท่านั้นใจพวกหนึ่งและกับอุเบกขาอีกพวกหนึ่งเท่านั้นโสมนัสที่ ความโกรธไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโกรธไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าอาฆาตเราเรียกว่าอบายัติแต่ถ้าเป็น อุเปกขาสังคตะบาลีเป็นอุเปกขาแปลว่าความรู้สึกเฉยๆอุเปกขาสังคตะจึงแปลว่าเอ่อสุมพร้อมกับเฉยๆแต่เป็น 2 คือโสมนัส โลกสมณัตที่ประกอบกับความเห็นท่านใช้คําว่าทิฏฐิคตะทิฏฐิคตะน่ะอย่าเนี่ยเรียกตรงๆว่า เรียกว่าทิฏฐิชัฏตะก็ดีแปลว่าลกชัฏคือความลกชัฏคือเฉยๆเฉยๆเนี่ยบางใช้ในฐานะเป็นคํากลางๆแปลว่าความเห็นๆแปลว่าความนะฮะอัน มิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิกตะเป็นชื่อของความเห็นผิดนั่นๆเนี่ยก็เค้าท่านแปลว่าถึงความเห็นผิดทิฏฐิกตะนี่นะถึงความเห็นผิดสัมปยุตแปลว่าประกอบก็เอาง่ายๆว่าประกอบกับความปราศจาก รู้แล้วว่าไม่ประกอบนั่นแหละอุเป็นคําปฏิเสธ 3 ชั้นนะครับก็ยังพูดไป ได้แก่ความเห็นที่ที่ท่านเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิอ่ะนี่อาจจะเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นหูกับบางท่านนิยตมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่แน่นอนที่ทําให้ว่า บุญบาปไม่มีวิบากของบุญของบาปๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่มีผมไม่ ก็เป็นนิสเป็นสมาธิที่ถ้าตายแล้วสูงก็เป็นวิจาติฐินี้นี้การตายการเกิดในทางอธิบายนั้นๆด้วยความ เอ่อโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นตนคือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายว่าตายแล้วเกิดจริงแต่แยกกับพวกความเห็นผิดที่เราเรียก นะชีวิตไม่เกิดไม่ดับเวลาเราตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆเนี่ยจริงๆเค้าเชื่อว่าตายแล้วเกิดเหมือนกันนะถ้า ชาติติตรวจดับแล้วตายแล้วทําไมเค้าถึงจําได้นะจําเราได้จําสําหรับสัตว์อย่างพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์และสัตว์บางภูมิน่ะตัว ตัวกายเที่ยงจิตก็เที่ยงได้แก่พวกพรหมพวกพรหมที่อยู่ อันจริงถ้าปลมหัวปูบอกเราเนี่ยอายุสั้นอย่างกับชีวิตกอ 6 เหมือนกันมันเร็วๆจนไม่น่าเชื่อเราก็ว่ากันเดิมจนไม่น่าเชื่อต่างคนต่างไม่อยากเชื่อซึ่งกันและกันความจริงเราเนี่ยน่าจะอายุยืนนะใครเคยคิดเนาะทําไมเราต้องอายุแค่ 75 เราดูเถอะอายุมาก่อนยังหนุ่มๆนี่แก่แล้วคนอายุมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอ่านไปเร็วๆทีนี้พวกนี้เนี่ยเค้าไปมองนะไม่เจอวันเกิดของอ๋อพวกนี้เที่ยงเที่ยง ในสัตตาธิปตินี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นขั้นกลางเวลาพวกนี้ ในแนวความคิดของพวกนั้นแต่พวกนี้ไม่ไม่อย่างนั้นครับพวกนี้เห็นว่าแหละพวกที่มีความเห็นอย่าง มันคือถ้าเป็นพวกเห็นผิดขั้นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะเอ๊ะที่แท้ อภิธรรมน่ะเค้าพูดแม้ละเอียดเหลือเกินครับว่าไอ้ตอนเป็นบุญก็ต้องเป็นบุญน่ะไอ้ความโลภก็ต้องเป็นส่วนความโลภใช่เนี่ยพระพุทธรูปมันของดีก็ไม่เล่นละหรอกเหมือนแค่คําพูดก็ไม่ไสว แต่เวลาจะซื้อปลาบอกเจ้าปลาโจรก็ขโมยละได้เห็นมั้ยฮะว่ามีหนังสือธรรมะ เรเราก็ยินดีติดใจแต่ความยินดีติดใจอย่างนี้เป็นเครื่องอุดหนุนบุญดีติดใจแต่ความยินดีเป็นเครื่องอุดหนุนบุญเป็นถือเป็นความโลภที่ประณีตเป็นความนะครับอายุของแล้วโดย มันแปลว่าผมย้ายความโลภหมมไปไปในเรื่องอื่นไม่ลดใช่มั้ยล่ะเอาผมเนี่ยผมมีหนังสือธรรมะเวลาผมเคยปลิวไฟไหม้บ้านน่ะจะเล่าให้เป็นรอยไหม้อยู่บาง มันก็เป็นความโรบก็เป็นความโลภแต่เป็นความโลภที่ละเอียดเราทําบุญและปรารถนาสวรรค์ก็เป็นความโลภแต่ความโลภ ความคิดขั้นต่ํานั้นหมายถึงความโลภอย่างชีวิตธรรมดาที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดถ้ายัง ปุตตนรัตตาตัวก็เป็นอนัตตาเราก็เป็นอนัตตาคนอื่นเป็นอนัตตารถก็เป็นอยู่ความรู้สึกว่าเป็นเรา รูปนามเรารู้สึกว่าตัวเราเดินเวลาเรากินเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเรากินรู้สึกอย่างนั้นเราที่ท่านนั่งอยู่นี้บางทีท่านก็ ที่สามัญเป็นความโลภที่เป็นที่ถี่สามัญตอนนี้เมื่อพูดอร่อยอร่อยอร่อย แต่ลึกที่มันเราอร่อยมันไม่ได้เกิดก็มีใช่มั้ยนี่เพราะต่อฉะนั้น อ่าความโลภที่เกิดขึ้นที่เป็นสัมปยุตตปยุตเนี่ยเราดูโอกาส 2 กรณีอย่างนี้นะฮะกรณีเห็นถามพูดนี้ก่อน สามส่วนส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่ 1 คือโลภยึดยินดีในของนอกตัวพวกวัตถุการทั้งหลายนับตั้งแต่ คือตัวเราตัวเรา 3 ความโลภที่เกี่ยวกับความยึดความติดในความคิดของ แล้วมันเข้าออกมาเป็นคือบุคคลใดนะพวกนี้จะเกิดความโลภไปในส่วนของวัตถุกามอย่างพวกว่าเค้าว่าผมเค้าจะนะเค้าไม่ ทาลิฟัตไปที่ฮออะไรจะใส่แว่นแบบไหนนะจะ ถ้าเขาจะได้วัตถุปัจจัยภายนอกมาถึงแม้ว่าเขาจะต้องไปประกอบอาชีพเทส ไอ้ก่อนสําคัญแก่ร่างกายการแต่งยุ่งรวยขึ้นก็ไอ้ก่อนสําคัญมากขึ้นออกจากบ้านทุกวันเปลี่ยนทรงผมทุกวันอะไรเงี้ยไป ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าสูงขึ้นไปกว่านั้นให้ความสําคัญแก่ความคิดเห็นนะหรือพวกนักบวชเนี่ยเขาไม่ และศูนย์มีคุณค่าของเค้านั้นก็คือเรื่องความคิดอ่านเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าถ้าเป็นพวกนักคิดนะพวกนักคิดหรือเป็นพวกปัญญาชนอ่าที่ ต่อว่าเริ่มความเห็นแล้วเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งๆเพื่อให้ความเห็นของเขาออกมา เหตุด้วยยื้อเย่นวัตถุกามชาวบ้านนั้นต้องการวัตถุกามเพื่อมากินอยู่หลับนอนแต่สมณะฌานหรือนักบวชนั้นทะเลาะวแย้งกันด้วยความขัดแย้งทางความคิดนี่เพราะเราจึงเห็นได้ชัดเลยถ้าระดับชาวบ้านเนี่ยความโลภความยิน ที่เขาถกล้อกันในสมัยวิทยาการทะล้ออย่างพวกปริพาชกเขาจะมีความ 62 เนี่ยก็สําเร็จที่ขัด นักบวชในสมัยพุทธกาลเขาโต้แย้งกันเพราะฉะนั้นสำหรับพวกนี้แล้วเนี่ยไม่สําคัญเลย คือเทียบกับคนบ้าไอ้คนบ้าเนี่ยมันติดกับเราตรงที่ว่าอย่างเรานี่เราก็บ้ากับเนี่ย